มหาสติปัฐานสูตรโดยดังตรินรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆขั้นที่สของการฝึกมีสติอยู่กับกายแม้ฝึกมีสติอยู่กับกายผ่านอิริยาบถต่างๆกระทั่งร่างกายปรากฏดุดหุ่นกล ที่ถูกเราเฝ้าดูจากเบื้องหลังก็ขอให้สังเกตว่าจังหวะที่ขยับเปลี่ยนจากอิริยาบถเดิมหันซ้ายแลขวากรอกตาหรือยืดตัวไปต่างๆก็จะเกิดความรู้สึกว่ากิริยานั้นๆเป็นตัวเราในทันทีอิริยาบถเดิมที่ถูกดูอยู่หายไปแล้วดังนั้นแค่รู้อิริยาบถยังไม่พอเราต้องรู้ครอบคลุมไปถึงความเคลื่อนไหวปลีกย่อยต่างๆด้วย เพื่อปิดโอกาสการเกิดอุปาทานว่าตัวเราขยับแต่ให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นที่ตั้งของการระลึกรู้ว่าร่างกายขยับซึ่งหากทำได้ก็จะนับว่าเป็นผู้มีความรู้สึกตัวหรือสัมปัจชัญญะตามพุทธบัญญัติกล่าวอย่างย่นย่อในเบื้องต้น เราจะฝึกทำความรู้สึกตัวด้วยการสังเกตความเคลื่อนไหวปลีกยย่อยต่างๆทางกายซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะเมื่อเริ่มต้นฝึกนั้นนักจเจริญสติส่วนใหญ่จะกำหนดเพ่งเล็งไปยังอวัยวะที่กำลังเคลื่อนไหวเช่นเมื่อยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก็จะตั้งสติอย่างเจาะจงลงไปที่มือหรือแขนจิตจึงรับรู้ได้เพียงในขอบเขตแคบๆ แค่มือหรือแขนอันนั้นไม่นับเป็นความรู้สึกตัวที่จะพัฒนาก้าวนาขึ้นได้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะตามธรรมชาติของจิตแล้วเมื่อเพ่งแรงสิ่งใดย่อมยึดสิ่งนั้นเพ่งมือก็รู้สึกว่านั่นมือของเราเพ่งแขนก็รู้สึกว่านั่นแขนของเรา เรากําลังยื่นมือไปหยิบแก้วน้ําขึ้นดื่มต่อให้ผสมความคิดลงไปว่ามือไม่ใช่เราแขนไม่ใช่เราใจที่มีอาการเพ่งเลงอยู่ก็บอกตัวเองว่าใช่อยู่ดีหากฝึกมาตามขั้นตอนก็จะไม่พลาดกล่าวคือมีอิริยาบถเป็นหลักตั้งเซก่อนจากนั้นจึงค่อยรู้ต่อไปว่าภายในอิริยาบถนั้นๆ มีอวัยวะใดเคลื่อนไหวเช่นเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งแล้วค่อยรู้สึกตัวว่าในท่านั่งนั้นมีการยืดแขนออกไปข้างหน้าเพื่อจับแก้วน้ําเป็นตน้นความเข้าใจตรงนี้มีส่วนสําคัญมากถ้าทราบแต่แรกว่ารู้สึกตัวอย่างไรจึงถูกทางยิ่งเจริญสติจิตก็จะยิ่งเงียบลงและเปิดกว้างสบายขึ้น เพียงในเวลาไม่กี่วันก็เหมือนมีสติรู้สึกตัวได้เองเรื่อยๆแต่หากไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดนึกว่าการรู้อิริยาบถและความเคลื่อนไหวต่างๆคือการเพ่งจ้องณนะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของกายก็อาจต้องเสียเวลาเป็นสิบปีเพื่อย่ำอยู่กับที่เห็นกายเป็นก้อนอะไรทึบๆและไม่อาจผ่านเข้าไปรู้สิ่งละเอียดกว่านั้นได้เลย หลักการทำความรู้สึกตัวตามสูตรมีดังนี้ 1. ทําทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการเดินจงกรมหรือเดินเท้าธรรมดาในระหว่างวันหากตั้งสติรู้เท้ากระทบไปเรื่อยๆแล้วตอนแรกจะรู้แค่เท้ากระทบแปลก แต่เมื่อยังระลึกรู้อยู่กับเท้ากระทบไม่ขาดสายกระทั่งสติไม่แวบหายไปไหนนานเข้าเราจะรับรู้ละเอียดขึ้นเองคือเห็นแค้งขาสลับกันก้าวเดิอนอย่างสม่ำเสมออันที่จริงเราไม่ได้ย้ายสติมาจดจอ่ออยู่กับการสลับขาย่างก้าวสติของเรายังตั้งไว้ที่เท้ากระทบตามเดิม แต่ความรู้สึกตัวขยายขอบเขตออกไปเองตามธรรมชาติของจิตที่เปิดกว้างขึ้นไม่เพ้งเล็งคับแคบเหมือนช่วงเริ่มต้นความรู้สึกตัวในการก้าวเดินอาจไม่สม่ำเสมอแต่ขอให้สังเกตว่ายิ่งความรู้สึกตัวเกิดถี่ขึ้นเท่าใดจิตก็จะไวต่อการรับรู้ความเคลื่อนไหวส่วนอื่นของกายมากขึ้นเท่านั้นจะนับว่าการทาความรู้สึกตัวขณะก้าวเดิน เป็นแม่แบบที่ดีก็ได้ 2. ทํทำความรู้สึกตัวในการแลและการเหลียวการแลและการเหลียวเกิดขึ้นได้ในทุกอิริยาบถแม้เดินจงกรมก็ต้องมีช่วงที่เราอยากหินหน้ามองรอบข้าง หากไม่ตั้งใจจะสังเกตไว้ล่วงหน้าก็มักเผลอแบบเลยตามเลยปล่อยใจเหม่อตามสายตาแต่ถ้าตั้งใจสังเกตไว้ก่อนก็จะรู้สึกตัวเช่นทราบว่าขณะเดินหรือยืนนิ่งอยู่นั้นลูกในตากรอกไปแล้วหรือใบหน้าเหลียวซ้ายแลขวาไปแล้วอาการรู้สึกตัวเช่นนั้นจะปิดช่องไม่ให้เกิดการเหม่อลอยได้อย่างดี 3. ามทาความรู้สึกตัวในการงอและการเหยียดการงอและการเหยียดมักเกิดขึ้นในอิริยาบถนั่งและอิริยาบถยืนบ่อยๆเช่นหยิบของเก็บเข้าที่ยกมือเกาศีรษะและยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเป็นต้นนั่นหมายความว่าถ้าฝึกรู้สึกตัวในการงอและการเหยียดได้เราก็จะมีโอกาสเจริญสติ ก, กันทั้งวันทีเดียว 4. ทำความรู้สึกตัวในการใส่เสื้อผ้าการใส่เสื้อผ้ามักเกิดขึ้นในอิรยาบทยืนและมีความเคลื่อนไหวปลีกย่อยมากมายจึงกลายเป็นแบบฝึกที่มีความซับซ้อนขึ้นแต่ขอเพียงเราจับหลักได้คือไม่ลืมท่ายืนแม้ต้องยืนสองขาบ้างสลับยืนขาเดียวบ้างก็จะสามารถรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาจนใส่เสื้อผ้าเสร็จ 5. ทำความรู้สึกตัวในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มการกินและการดื่มมักเกิดขึ้นในอุรยาบทนั่งและมีความเคลื่อนไหวปลีกย่อยมากมายเช่นกันตั้งแต่อ้าปากผุก ป, ปากคบเคี้ยวตลอดจนกลืนล่วงผ่านลํำคอลงท้องไปการกลืนแต่ละครั้งก็มีรายละเอียดแตกต่างกันเช่น อาหารหรือน้ำเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่เป็นต้นเมื่อรู้ก็จะเห็นความแตกต่างเหล่านั้นแต่ถ้าไม่รู้ก็คล้ายจะเหมือนเหมือนกันไปหมด 6. ทำความรู้สึกตัวในขณะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะการถ่ายของเสียมักเกิดขึ้นในอิริยาบถนั่งหรือยืน ช่วงเข้าส่วมมักเป็นจังหวะที่เราเผลอเมอไม่มีอะไรทํากันมากที่สุดเพราะดูเหมือนไม่เหมาะกับการตามรู้วิธีถ่ายของเสียออกจากกายแต่หากเราต้องการมีสติอยู่กับกายเสมอเส่ก็จำเป็นต้องรู้แม้ขณะแห่งกิจกรรมชนิดนี้โดยเห็นตั้งแต่ของเสียเริ่มจะออกจากกายจนกระทั่งล่วงพ้นกายไปทีเดียวเราจะได้รู้ว่าร่างกายมีกล้ามเนื้อภายในจากการขับถ่ายของเสีย โดยให้ความรู้สึกอย่างไร 7. ทําความรู้สึกตัวในขณะหลับและตื่นการหลับและตื่นมักเกิดขึ้นในอิริยาบถนอนขณะใกล้ก้าวลงสู่ความหลับสติเหมือนจะดับไปใช้การอะไรไม่ได้ต่อเมื่อจเจริญสติรู้กระทั่งแข็งแรงพอจะรู้แม้จวนเจียนม่อยหลับ จะพบว่าใมยามตื่นเราก็ตื่นด้วยความรู้สึกตัวไปด้วยและถ้ารู้สึกตัวยามตื่นได้ทุกวันเราจะทราบชัดว่าการจเจริญสติเริ่มต้นกันได้ตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนทีเดียว 8. ทำความรู้สึกตัวในการพูดและนิง่งการพูดคุยมักเกิดขึ้นในอิริยาบถนั่งและยืน ปกติคนเรามีสติอยู่กับเรื่องที่อยากพูดอยากฟังซึ่งแตกต่าง ก, กันกับความรู้สึกตัวในข้อนี้เพราะเราจะพูดหรือฟังทั้งรู้ว่ากำลังนั่งหรือยืนหากฝึกได้ก็แปลว่าเรามีโอกาสเจริญสติแม้ทำธุระในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องเปลีกตัวจากสังคมเสมอไปการฝึกทำความรู้สึกตัวที่ได้ผล จะเหมือนกายใจเริ่มแบ่งแยกจากกันตัวหนึ่งแสดงท่าทางกระดุกกระดิกอีกตัวหนึ่งเฝ้าดูเฉยเฉยโดยไม่รู้สึกว่าอาการกระดุกกระดิกเป็นตัวตนถึงจุดนั้นเราจะพบว่าความถือมั่นทั้งภายนอกและภายในยิ่งน้อยลงเรื่อยๆจิตเริ่มตั้งมั่นแข็งแรงจนอาจเข้าไปรู้เห็นธรรมชาติละเอียดอ่อนที่ตก่อนไม่เคยสามารถสัมผัส นับว่าพร้อมกับการเจริญสติขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่จำกัดแล้ว